ก็เลยคิดว่าภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลอยู่ในวิหารเนี่ยทำตัวเหมือนสงบสงี่ยมดูซิไปนั่งบนเตียงเดียวกันกับธิดาอ ม, มาตผู้อุปถากในหมู่บ้านตรวจดูแล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าก็คิดว่าแหมเรานี่เห็นเสียเห็นไม่ดีเนี่ยนะตรงนี้เขาก็แปลนหนักสาหัสเหมือนกันก็อะไรเราเห็นเห็นระยำเหลือเกินเนี่ยนะเห็นความระยำเนี่ยเกิดขึ้นแล้วพระพระไปนั่งอยู่กับโยมผู้หญิงไม่ได้เรื่องไงก็เลยสําคัญอย่างนั้นเนี่ยนะคิดจะหาเรื่องอย่างเดียวแล้วก็จากไป ฝ่ายพาดอาหารรูปนั้นท่านฉันเสร็จแล้วก็เข้าไปในวัดไปยังที่อยู่ของตนปิดประตูแล้วก็จะนั่งพิจารณาธรรมต่อไปภิสูจน์เจ้าทีนฉันเสร็จไปถึงวัดก็คิดว่าเราจะต้องขม่มรูให้ได้เนี่ยนะเพราะการเห็นวันนี้เห็นที่ไม่ดีหมายก็อะไรนะนักชัมระศาสนานิยมก็เข้ามาแหมเพราะความประศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองต้องมีแบบเรานี่แหละมาชัมระศาสนาให้ศาสนาสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยนะที่ไหนได้เนี่ยโทสะมันกำเริบกรุ่นอยู่ในใจนั่นแหละ ไปถึงก็เลยคิดว่าภิกษุผู้ทรงผ้าบางสกุลเนี่ยเราต้องไล่ออกจากวัดให้ได้นี่มันเสื่อมเสียวัดเสื่อมเสียหมดเสื่อมเสียสถาบันสงฆ์หมดเนี่ยนะก็เลยคิดละไปถึงก็ไป สำนักของพระเถระเนี่ยก็เดินเดินไปที่กุฏินะั้นเดินไปแบบคนไม่สำรวมคือหมายคําว่าไอ้โทษคนอื่นเนี่ยจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ตัวเองเห็นแล้วไอ้ความชั่วของตัวเองเนี่ยมันใหญ่โตเท่าภูเขามองไม่เห็นคิดว่าเป็นนักอนุรักษ์ศาสนาเนี่ยนะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่ชําระความถูกต้อง ไม่ใช่สมัยพุทธกาลอย่างเดียวนะสมัยนี้ก็เหมือนกันพิสูจบางรูปเขาคิดว่าเขาเนี่ยคือนักชำระาศาสนาเนี่ยอวดใหญ่อวดโตทำตัวเป็นนักเลงหัวม้บางทีมีอาวุธมีอะไรด้วยซ้ำไปแสรกเขาเนี่ยคือมาชำระศาสางศาสนาให้าศาสนาสะอาดบริสุทธิ์มาทำลายหรือมาชำระกันแน่เนี่ยนะก็เลยว่าความเข้าใจผิดรูปนี้ก็เหมือนกันไปแบบคนไม่สำรวมไปถึงก็เอากระบวยตักน้ำมาสำรับฉันมาทำเป็นเสียงดังไปเอาน้ำฉันมาล้างตีนเหมือนกันเถอะ เอาน้ำฉันมาล้างตีเนี่ยแสดงกิริยาการที่ไม่เหมาะสมเลยเดินเราว่าเจียบพระเถระก็คิดว่าเอออะไรกันนี่ใครนัมาเดินไม่สำรวมยังกระโจนเข้าวัดงั้นน่ะก็เลยคิดว่าท่านคิดแวบท่านก็รู้แล้วเรื่องราวทั้งหมดมาจากอะไรก็บอกผู้นี้อย่าได้มีใจประทุสร้ายในเราแล้วไปอาบายทุกติวินิบาตนารกเลยท่านก็เลยเหาะโน่นเหาะนั่งสมาธิอยู่ในอากาศนูน่น พิสูจนเจ้าถิ่นก็ยกหม้อโดยอาการประทุสร้ายเนี่ยนะก็แค่ว่าแทบจะตีหม้อแตกวงนะงั้นก็เปิดประตูดังปั้งเข้าไปก็ไม่พบพระเทระใสแอบอยู่ใต้เตียงมั่งเห็นไหมก็คนดูใต้เตียงนะคือคนเนี่ยมันมันมันนิสัยมันแบบอะไรนะถ้าตัวเองคิดเลวก็นึกว่าคนอื่นเหมือนตัวเนี่ยนะก็ชอบเอาตัวเองเป็นปริมาณเนี่ยนะต้องใส่ต้องแอบซ่อนอยู่ในเตียงแสดงว่าตัวเองมีประวัติแบบนั้นนะนะก็เลยตรวจดูยังไงก็ไม่พบคิดจะเดินออกไปพระเทระก็กแกล้มมันนะนะ จริงเนอะนะท่านลอยอยู่ในอากาศท่านก็แกลอมทีนี้ไอ้เจ้าทินนี่มันไอ้คนที่โกรธ เ, เห็นคนอื่นเหาะได้ก็ยังโกรธอีกนะก็บอกว่าแหมท่านผู้ทรงผ้าบางสกุลมีอายุเาเรียกว่ามีอนุภาพเหาะได้ขนาดนี้ไอ้การนั่งเตียงเดียวกันกับมาตุคามไม่สมควรก็แล้วประเด็นเนี่ยนะเาเรียกว่าแบบอะไรนะแบบสูตรก่อ น, น่ะที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะในในอัตรกรถาของ สัจกะสูรเนี่ยนะหมาสัจกะสูตรเขาบอกว่าเปรียบเหมือนสุนัขเนี่ยนะถึงไปกินข้าวมาทุกปายาสมาอิ่มท้องแป้เวลาเดินผ่านอุจระถึงตัวเองกินไม่ลงได้ดมสักหน่อยก็ยังดีเพร า, านี่ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะนิสัยคล้ายกันเนี่ยก็เพราะฉะนั้นก็เลยได้โอกาสแม้ดูที่ท่านมีอนุภาพมากมีฤทธิ์มากพอได้อย่างนี้ไปนั่งบนเตียงเดียวกันกับอามาตย์ได้อย่างาทิดาอามาตย์ได้อย่างไงทีนี้อ พาหันท่านก็บอกว่าบรรพชิตที่นั่งบนเตียงเดียวกันกับมาตุคามมันนั่งไม่ได้หรอกแต่ท่านเนี่ยเข้าใจผิดไอ้สิ่งที่ท่านเห็นเนี่ยมันเห็นผิดมันไม่ได้เป็นความจริงพระาหันท์ก็ที่บายให้ฟังว่าที่นั่งกับเตียงมันคนละที่กันแต่ความที่ท่านเนี่ยดูแบบแบบอะไรนะสายตามไม่เดียวท่านก็เลยมองเห็นว่านั่งเตียงเดียวกันเนี่ยนะไม่เชื่อก็ไปถามดูซิว่าเราในนั่งด้วยกันจริงหรือเปล่าล่ะ ในที่สุดอันนี้เขาเรียกว่าพาทหารเนี่ยไม่ได้ต้องการกลัวการติเตียนกลัวคนอื่นจะคอยรหากลัวคนอื่นจะเข้าใจผิดเป็นจําเลยสังคมแล้วก็ต้องมาคอยแก้ข่าวแก้ต่างให้แก่ตัวเองบอกไม่ท่านเหล่านี้ไม่ใช่จําเลยเนี่ยนะที่ต้องแบบก็เรียกว่าตามแก่ตัวตามอะไรแต่ที่ท่านชี้แจงให้พระพิสุรูปนี้ฟังท่านสงสารว่าเขาเรียกว่าโมฆะบุรุษเนี่ยอย่าได้ไปอาบายเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าอย่าได้เป็นคนบาปตกนรกไปเลยเนี่ยนะ คือที่ที่อธิบายที่ชี้แจงเนี่ยก็เพราะสงสารต่อต่อผู้ที่เขาเข้าใจผิดเท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะนั้นแต่โดยปกติแล้วแต่ท่านเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้คิดว่าคนอื่นเขาคิดยังไงกับกับเราแล้วไปเที่ยวแก้ตัวตลอดเวลาเนี่ยนะเที่ยวอธิบายที่ฉันเป็นอย่างงี้เพราะอย่างไ้ที่ฉันทําอย่างงั้นเพราะอยังงั้นเออเป็นจําเลยสังคมมาแต่ปางไหนทําไมต้องไปคอยชี้แจงคอยอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเออแต่ที่ท่านอย่างท่านเล่าให้ฟังแบบนี้เนี่ยนะก็เพราะว่า ท่านสงสารว่าโมฆะบุตรอย่าได้ไปอบายเลยเนี่ยนะอย่างที่ภา ษ, ษาเรีย บ, บางทีท่านก็ไม่พูดก็เพราะว่าสงสารคนที่มีใจไม่ดีกับท่านถ้าเขาอย่าได้ไปอาบายเลยเนี่ยนะที่นี้ประเด็นต่อไปเนี่ยนะประเด็นที่เจ็ดในหน้าสามร้อยแปดสิบเย่อหน้าที่ที่สามเนี่ยนะกลางๆหน้าว่า เมื่อเมื่อภิกษุนั้นเนี่ยนะจะสอบสวนให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่ข้างล่างสุดเลยนะข้างล่างภิกษุทั้งหลายถ้าหากว่าคนพวกอื่นจะพึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าอะไรเป็นอาการของท่านอะไรเป็นที่คล้อยตามของท่านอะไรเป็นเหตุให้ท่านกลัวเนี่ยนะเข้าถึงความยินดีในสิ่งที่ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่เข้าถึงความยินดีในสิ่งที่น่ากลัวและไม่เสพกามเพราะปราศจากความกหนัดเพราะสิน้น ความกำนัดเขาบอกว่าเหตุผลที่พระรูปนี้เป็นดีจริงๆดีตลอดก็เนื่องจากหนึ่งภิกษุทั้งหลายในหน้าสามอเก้าสิบบอกว่าเมื่อจะพยากรณ์โดยโดยชอบพึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าท่านผู้นี้อยู่ในหมู่หรือว่าอยู่คนเดียวก็คื อ, คอโดยปกติท่านใช้ชีวิตอย่างไงหนึง่งพวกใดไปดีแล้วในที่นั้นพวกใดไปไม่ดีแล้วในที่นั้น พวกใดตามสั่งสอนคณะในที่นั้นบางพวกเนี่ยนะบางเหล่าปรากฏในอมิตรบางเหล่าถูกอมิตร8ดเปื้อนคือบางคนเนี่ยนะสอนเพราะอะไรสอนเพราะเห็นแก่แก่อมิตรสอนเพราะเห็นแก่สินจ้างไหมสอนคําสอนอธิบายคําสอนให้ผู้อื่นฟังเพราะเห็นแก่ราคาค่าจ้างว่างั้นเถอะเกิดอมิตรแเปื้อนก็เพราะเห็นแก่อะไรเห็นแก่เครื่องสักการะเห็นแก่เครื่องบูชาที่เขาทําเพื่อตน มันก็เรียกว่ามีอัมมิตร8ดเปื้อนในการต่างตามสั่งสอนคณะก็เรียกว่าสั่งสอนประกาศสอนเพราะเหตุแห่งลาบสการะชื่อเสียงและสรนเสริญเนี่ยนะแต่ผู้นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังที่เรียกว่าคำนี้เราได้ฟังเฉพาะพระภาคของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเราเป็นผู้เข้าไปยินดีในสิ่งที่ความไม่น่ากลัว ไม่เข้าไปยินดีในสิ่งที่น่ากลัวเราไม่เสพกามเพราะปราศจากความกำหนดเพราะสิ้นความกำหนัดตรงนี้พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่สะอาดเป็นผู้ที่บริสุทธิ์สั่งสอนธรรมแก่ผู้อื่นก็ด้วยใจกรุณาไม่ได้สั่งสอนธรรมเพราะเห็นแก่ระหัสการะแล้วก็ท่านเนี่ยปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีบาปอากุโสลธรรมทั้งปวงไม่ใช่แค่ขม่มย้ยเฉยเฉยเนี่ยนะก็ถือว่าพระองค์เป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์อย่าง แท้จริงเนี่ยนะเป็นเป็นพระสัพพันธ์อยู่จริงๆเนี่ยนะกล่าวว่าสมควรที่คู่ควรที่เป็นกัลยาณมิตรที่สูงส่งพระองค์เป็นผู้ที่ปราศจากราคะเนี่ยนะปรากฏพระองค์เป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะปราศจากกิเลสพระองค์ละมนทินมีความสะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระจันท์เพน พ, นพ้นจากเมฆหมอกเช่นั้นเนี่ยทีนี้ต่อไปอีก ในข้อ538หน้า390เนี่ยนะขึ้นว่าภิกษุทั้งหลายครั้นพระตา้าค้ครพระตถาคตเจ้าถูกทวนถามกลับยิ่งขึ้นไปอีกก็มีคนที่จะสอบสวนพระพุทธเจ้าถ้าสอบยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะก็ทบทวนด้วยปัญหาเก่าๆว่าสิ่งใดที่เป็นความเศร้าหมองที่พึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยหูสิ่งเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่หรือไม่มีในพระตถาคตเจ้า ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตเจ้าเมื่อจับพยากรณ์อย่างนี้ก็พยากรณ์ว่าสิ่งใดสิ่งเหล่าใดที่เป็นความเศร้าหมองทุจริตด้วยกายด้วยวาจาที่พึงรู้ได้ด้วยตาด้วยหูสิ่งเหล่านั้นไม่มีแก่พระตถาคตเจ้าก็สอบสวนให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าสิ่งใดที่เป็นความเรียกว่าเป็นมืดตัวนั้นเนี่ยจริงจมันต้องแปลว่าเท่านะเดี๋ยวครั้งเดี๋ยวขาวเดี๋ยวก็ดำเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วจะพึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยหูสิ่งเหล่านั้นมีแก่พระตถาคตหรือไม่ เมื่อจะพยากรณ์ให้ถูกต้องบอกว่าสิ่งใดที่เป็นความเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวบุญเดี๋ยวบาปเป็นต้นเนี่ยที่พึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยหูสิ่งเหล่านั้นไม่มีในพระธถามคตธรรมให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าสิ่งใดที่เป็นความสะอาดสดใสความไร้มนทินเนี่ยนะความบริสุทธิ์ปุดุพองปราศจากกิเลสความสะอาดทางกายทางวาจาที่พึงรู้ได้ด้วยตาสิ่งเหล่านั้นมีหรือไม่มีแก่พระธรรคตถ้าจะตอบให้ถูกต้องก็บอกว่าสิ่งใดที่เป็นความสะอาด ปรากฏสดใสแจ่มแจ้งไม่มีกิเลสเครื่องเศร้ามองด้วยกายวาจาไม่มีอยู่ในเขาบอกว่าสิ่งใดที่เป็นความสะอาดสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในพระตถาคตเพราะพระองค์เป็นคนดีจริงๆทีนี้เมื่อตรวจสอบบริจจนเรียบร้อยแล้วใั่ไหมสรุปว่าพระพุทธเจ้าดีตรวจเรื่องกายกายก็ดีตรวจเรื่องวาจาวาจากด็ดีตรวจเรื่องใจใจก็ดีเตรียมเรื่องอาชีพอาชีพก็บริสุทธิ์ถ้าตริสํารวจตรวจสอบดูว่า มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเสียหายไหมไม่เสียหา ย, ยานะแล้วก็ต่อไปแล้วท่านเนี่ยปราศจากราคาะท่านไม่มีความกลัวเพราะกิเลสนะท่านไม่ได้มีความกลัวเพราะอํานาจของ อ, อบายทุกคติหรือว่าเพราะการติเตียนเป็นต้นท่านเป็นผู้ที่มั่นคงคงที่ในโลกธรรมท่านแสดงธรรมก็ไม่ได้เห็นแก่ลาบสาการะชื่อเสียงและสรรเสริญไม่ได้ถูกเคราะอากุศลธรรมทั้งหลายฉาบทา เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่ปราศจากราคะปราศจากโทสะเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญที่ส่องสว่างเพื่อให้กระจ่างในกลางคืนเหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องในกลางวันไม่ได้แปดเปื้อนด้วยราคีเป็นต้นเนี่ยต้องการแต่ส่องสว่างในข้อเออในหน้า3ามร้อก้าสูจนทั้งหลายสาวกควรเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ครบกับใครได้ครบคนดีจริงๆแล้วนะ กล่าวว่าเมื่อสำรวจตรวจสอบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พร ะ, ะเป็นผู้ที่ดีมีคุณธรรมมีความสะอาดเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยวิชาลัจรณะเป็นต้นอย่างกล่าวแล้ว อ, อนนคือศาสดาผู้มีวาทะอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีศีล น, นั่นเป็นทางมีศีลเป็นอารมณ์ไม่มีตัณหาในเพราะศีลอันบริสุทธิ์นั้นดังนี้กล่าวว่าเป็นเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่มีศีลดีสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเข้าไปเฝ้าพระองค์เพื่อฟังธรรม พระศาสดาก็ย่อมแสดงธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอันประนีตเแสดงธรรมอันประนีตและประนีตเปรียบเทียบให้เห็นทั้งดำทั้งขาวพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมเป็นอย่างดีเนี่ยนะสอนธรรมทั้งดำทั้งขาวแก่ภิกษุเหล่านั้น ภิกษุทั้งหลายพระาศาสดาย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุยิ่งยิ่งขึ้นไปประณีตขึ้นไปพร้อมกับธรรมเรียกว่าเปรียบให้เห็นทั้งดำทั้งขาวโดยประการใดๆภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมบางชนิดในธรรมนั้นเรียกว่าพอฟังก็เกิดปัญญาที่รู้ยิ่งในพระธรรมนั้นถึงความตั้งลงเรียกว่าเลื่อมใสตั้งลงอย่างตั้งใจมั่นในพระาศาสนานี้เลื่อมใสในพระาศาสดาว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบแต่วันเริ่มสายอย่างถูกต้องแท้จริงแลยใช่ไหมที่จริงพระธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคิดดูนะคำพีเล่มนี้่เป็นคำภีร์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเป็นหลักเลยเนี่ยนะทําไมแสดงไปแสดงมาก็พันพันอยู่กับความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมความปฏิบัติดีของพระสงฆ์บอกว่าบางคนก็บอกอ๊ย การปฏิบัติเนี่ยนะมันไม่ได้ไปเหาะเฮินที่ไหนหรอกปฏิบัติเพื่อให้มีศรัทธาอันมั่นคงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้พระพุทธคุณโดยนิยะต่างๆศรัทธาที่เลื่อมใสจะได้เลื่อมใสยิ่งขึ้นจะได้มีคุณสมบัติของผู้ที่เป็นพระโสดาบันว่าพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่เลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระธรรมเป็นผู้ที่มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวใน พระสงค์วันเลื่อมสายอย่างไม่หวั่นไหวเลยว่าพระองค์ตรัสรู้ชอบจริงๆตรัสรู้ชอบตรัสรู้ถูกต้องตรัสรู้อะไรตรัสรู้ทุกด้วยการกําหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธด้วยการทําให้แจ้งตรัสรู้อริยมรรคด้วยการเจริญเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งทั้งปวงพระองค์รู้ยิ่งหมดแล้วเนี่นะความตรัสรู้ดีของพระองค์นั่นแหละทําให้พระองค์แสดงธรรมนั้นเป็นธรรมอันดี พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นธรรมที่ตรัสไว้ดีแล้วเพราะเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติเห็นได้ด้วยตนเองเห็นได้ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวหรือควรน้อมใจเพื่อให้บรรลุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเป็นธรรมที่วินยูชนเนี่ยนะวินยูชนอุคติตันยูเป็นต้นเพิงรู้ได้เฉพาะตน และความปฏิบัติดีของพระสงฆ์โดยอาการนั้นนั้นเนี่ยนะเรียกว่าพระสงฆ์ผู้ที่ปฏิบัติตรัสรู้ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็เป็นสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตปฏิปันโนเรียกว่าปฏิบัติจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระพุทธเจ้า